พระธรรมเทศนาแผ่นที่104ลำดับที่หโดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่26ธันวาคม2559มีชื่อเรื่องว่าตายแล้วไม่สูญบาปบุญพาไปเกิด อขออน้าจัตธาญาติโยมอยู่ในความสงบนะจะดีนะมีอะไรหลวงพ่อจะพูดจะเล่าจะกล่าวอะไรให้ฟังวันนี้เป็นวันที่26ธันวาคมพุทธศักราช2559วันนี้เป็นวันทาบุญที่จิตโภชนาปากของเราแต่เป็นวันจันทร์ เมื่อวานเป็นวันอาทิตย์ทำบุญที่สวนแสงธรรมวันนี้เป็นวันจันทร์พี่น้องประชาชนพอดีพอดีวันนี้ไม่มาก <c oughs> เมื่อคราวที่แล้วโอ้โอล้นหลามบินทบาททั้งสามรอบแต่วันนี้คงจะครึ่งหนึ่งครึ่งคือครึ่งหนึ่งของวันคราวที่แล้วนะ <c oughs> พอวันลูกหลานไปทําการทํางานมันเป็นวันวันจันทร์ ไม่ใช่วันหยุดนะแต่ถึงยังไงก็ตามพวกเราที่มาทำบุญคณะสัตาา ย, ยาชญาโยมทุกทกท่านผู้ที่มาทำบุญในคราวนี้วันนี้ก็เป็นช่วงเทศกาลปีใหม่ที่จะมาถึงไม่กี่วันข้างหน้าเพราะวันนี้เป็นวันที่26่สบแลวก็วันที่หนึ่งมกราเป็นวันปีใหม่ไทยเป็นวัาเป็นวันปีใหม่สาคน แต่ถึงยังไงก็ตามที่หลวงพ่อพูดกล่าวไป ท, ที่ไหนในช่วงนี้เพราะพระบาทสงเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังอยู่ในพระบรมมกูฏที่ท่านสวรรค์ขาลายไปเมื่อวันที่สิบสามตุลาก็ความรู้สึกนกคิดทั้งหลายก็อยู่ในจิตใจของพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าที่รักเคารพใน พระองค์ท่านแต่พวกเราท่านทั้งหลายได้มาทําบุญในวันนี้และจสถานที่ใดก็ตามในช่วงนี้พวกเราให้พวกเราท่านทั้งหลายที่อยู่ในใต้ร่มเงาพระบอรมโพธิสมภารของพระองค์<ม>ก็ขอให้พวกเราทุกๆท่านมเมื่อได้รับพรแล้วก็ให้อุทิศ ถวายเป็นพระราชนกศลต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราทุกครั้งเพราะท่านเป็นล่มอมโพล่อมใสเป็นพ่อของประเทศเพราะฉะนั้นขออยากพวกเราท่านทั้งหลายให้สํานึกไว้ในใจตลอดในช่วงนี้นะแล้วก็พร้อมกันก็ช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวเบื้องต้นว่าจวนจะถึงปีใหม่แต่ถึงอย่างไงก็ตาม วันคืนเดือนปีมันก็ต้องผ่านไปตามธรรมชาติของมันแต่เพียงแต่พวกเราให้สมมติว่าพวกเราสมมติว่าวันที่หนึ่งม ก, กราเป็นวันปีใหม่ค็ว่าปีใหม่คำให้เกิดเป็นวันตั้งต้นกิจการงานของเราทุกอย่างที่เราจะปรับปรุงบริษัททางร้านหรือว่าปรับปรุงขาดทุนกำไรของ การทำมาค้าขายช่วงปีเก่าว่าขาดทุนกำไรอย่างไรแต่พวกเรามีแต่คิดเรื่องทุนกำไรของซับภายนอกแต่เราไม่เคยคิดว่าความความคิดของเราการกระทาของเราการพูดของเราการยกรรมวิจีกรรมมนโนกรรมของเราขาดทุนกำไรอย่างไรอันนี้พวกเราไม่เคยคิดมีแต่คิด เรื่องทรัพย์สมบัติภายนอกเพผะนั้นขอให้พวกเรากลับมาคิดจุดนี้อีกด้วยนะในที่จะทุกช่วงที่จะถึงปีใหม่นะให้พวกเรานั่งหลับตาอยู่ในที่สงบสงัดตามลำพังฮะอยู่ในห้องพะระก็ได้อยู่ในห้องไหนก็ได้อยู่ในที่สงบให้พวกเรานั่งห ล, ลับตาและก็นั่งคิดทบทวนดูว่า ปี 2,559 เนี่ยตั้งแต่ปีใหม่มาจนถึงบัดนี้แหะ12เดือนเนี่ยข้าพเจ้าคิดไปในทางไหนบ้า ง, างในปีนี้นะมันวิตกกังวลเรื่องอะไรที่มันไม่ใช่เรื่องที่ที่จะต้องวิตกกังวลหรือไม่ไม่ใช่เรื่องที่เราจะมกมุ่นหรือไปคิดในสิ่งที่มันไม่ดีเหล่านั้นหรือว่าในปี 2,559 เนี่ย เราคิดเรื่องอะไรที่มมีค้อหนูประการหรือว่ามีประโยชน์ในต่อตัวของเราเองและก็มีประโยชน์ต่อวงสาคณาญาติต่อญาติพี่น้องต่อประเทศชาติบ้านเมืองเราได้คิดอะไรไปบ้างในเมื่อเราได้ทบทัวดูเราก็จะรู้ได้ว่าอือันนั้นไม่มีประโยชน์อันนี้มีประโยชน์แต่เมื่อ เรามาทบทวนในความคิดแล้วมาทบทวนในการกระทำของเราอีกหึงปี 2,559 เราก็ระทำอะไรไปบ้างที่เสียหายทำทำให้ผู้อื่นพ่อแม่พี่น้องสามีภรรยา ล, ลูกหลานได้รับความทุกข์กระทบกระเทือนจากการกระทำของเราอันนี้ของเราก็ต้องคิด กว่าการกระทําของเราทําให้คนอื่นไม่สบายใจและทำทำให้คนอื่นเดือดร้อนทําให้คนอื่นเสียหายแล้วก็นบทษทบทวนนี่ว่าเราปี59เราทําคุณประโยชน์อะไรให้กับประเทศชาติบ้านเมืองให้กับโลกให้กับพระพุทธศาสนาให้กับวงสาคนาญาติให้กับตัวของเราหรือว่าผู้ที่เรา รักเคารพนับถือเรื่มใสทั้งหลายทั้งปวงนะั่นเราทำคุณไปประโยชน์อะไรที่ประทับใจมากๆในการกระทำของเราอันนี้เราพวกเราก็ควรจะทบทวนอีกเหมือนกันและกรารทบทวนเรื่องคำพูดอีกทีเนีเ่เรื่องคำพูด เ, เราเร่งสาธยายเจริญพระพุทธมนตรีปิโสปะคว า, เ, าเป็นพระวาจาเป็นวาจาออกมาเพื่อสรรเสริญ พ, พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสง หรือว่าร้องเพลงสรรเสริญพระบรมีหรือว่าเราได้กล่าวอะไรออกไปให้เกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนชุมชนสังคมต่อโลกอันนี้เราก็ทบทวนอีกแล้วเราได้ด่าใครทาให้พ่อแม่หนักอกหนักใจเพราะคำพูดของเราหรือพี่น้องหรือสาบีภรรยาที่ทําให้ผู้ที่เกี่ยวข้องหนักใจ หรือเก็บใจกับคำพูดของเรามีใครบ้างสิ่งเหล่านี้ให้พวกเราทบทวนคิดทำโพดนะไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งกว่าตัวของพวกเราทุ ก, ท, กทุกท่านเองในเมื่อเราคิดทบทวนทบทวนดูแล้วทีนี้นเมื่อเราจะตั้งต้นใหม่ปี 2,500 60เนี่ยสิ่งที่มันชั่วเราก็รู้แล้ว สิ่งที่มันดีเราก็รู้แล้วทั้งคิดทั้งทำทั้งพูดจากนั้นเราให้ตั้งใจใหม่เน่ยความชั่วหนึ่งก็ดีสองก็ดีสามก็ดีมีอยู่แล้วความชั่วอื่นที่ยังไม่เกิดมันก็จะเกิดขึ้นเหตุนั้นควรละเสียเราจะไม่ทำอีกเนี่ความดีใดก็ดีหนึ่งก็ดีสองก็ดีสามก็ดีมีอยู่แล้ว ความดีอื่นๆที่เป็นกุศลที่ยังที่มันเกิดขึ้นแล้วก็จะเจริญมากขึ้นเหตุนั้นควรส่งเสริมในสิ่งที่มันดีเพราะฉนั้นขอให้พวกเราทุกกท่านให้ทบทวนดูการกระทําของเราที่ผ่านมานะี่มันดีหรือมันชั่วมันเลวอย่างไรแต่พูดได้เลยว่าคนคนหนึ่งไม่ใช่ว่าจะทำชั่วอย่างเดียวแล้วก็ไม่ใช่จะทาดีอย่างเดียว จะบางทีก็คิดดีบางทีก็คิดเร็วบางทีก็ทำดีบางทีก็ทำเร็วบางทีก็พูดดีบางทีก็พูดเร็วมันเป็นของคู่กันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแต่ถึงยังไงก็ตามดีกับเรยวคำนี้นะ่ะต้องมาบวกรลบคูณหารกันดูว่ามันอันไหนมากกว่ากันแต่ถ้าที่มันผ่านมาถ้ามันตัวชั่วมากเราก็ไม่น่าจะพอใจภาคภูมิใจเราก็ควรจะลดละ ถ้าหาว่าตัวไหนมันมีดีมากเราก็ควรจะกระยิ่มยิ้มยองหนอืเออเราได้ทําความดีฝากไว้ในแผ่นดินนี้มากต้องมากนะเราก็สกขงจะสบายใจเพรานั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะทางโลกของเขาเขาทำมาค้าขายปีหนึ่งเขายังมีงบดุลนะความชั่วความดีของเราไม่มีการงบดุลเลยก็ไม่น่าจะถูกต้องเหมือนกันนะถึงอย่างไงก็ให้ครบดุล ผิดผดถูกถูกบ้างแต่ที่ยังไงก็เราต้องมองย้อนหลังว่าทําให้คนอื่นเจ็บอกเจ็บใจนักอกหนักใจผู้เกี่ยวข้องผู้อยู่ใกล้เราเนี่ย ม, มีมีท่านผู้ใดบ้างสิ่งเหล่านี้ก็อยากจะให้พวกเราทบทวนนะอันนี้ก็คือการเป็นอยู่ถ้าจะว่าจัดไปแล้วก็คือหมวดศินเหมือนกันนะหมวดสินคือความประบพื้นการอยู่ด้วยกันเรียกว่าหมวดสินหมวดวิทย เรื่องหมวดกฎหมายพูดอย่างนั้นได้ที่ได้พูดมากล่าแต่ถึงยังไงหมวดธรรมเตหมวดธรรมคือแนวความคิดในหลักของพุทธศาสนาเพราะว่าพวกเราเกิดมาในพื้นแผ่นดินไทยได้เกิดมาได้พบพระพุทธศาสนาได้เกิดมาพบพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงเกิดมาได้พบพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่พวกเรารักเคารพนับถือเลื่อมใส ท่านก็แนะนําสั่งสอนบอกกล่าวสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่ท่านบอกแนะนําบอกกล่าวนั้นให้พวกเรานํามาคิดทบทวนโดยเฉพาะอย่างที่ท่านบอกว่าตายแล้วไม่สูดนะตายแล้วเกิดอีกอย่างนี้เป็นต้นน ะ, ะทําไมท่านถึงย้ําจุดนี้ถ้าพวกเราคิดว่าตายแล้วสูดเนี่ยเราก็บทอะไรตายอยากบทอะไรตายอยากที่จะทําคุณงามความดีเพราะมันสูดเนี่ยจะไปทำทำไมทําให้โง่ทําไมถ้าว่าตายแล้วเกิด ด้วยวิธียังไงคำว่าเกิดเราพิสูจน์ได้ยังไง ใ, ใครเป็นคนพูดว่าตายแล้วเกิดให้เราเชื่อพระพุทธเจ้าไว้ก่อนพระพุทธเจ้าได้ตัดสู้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณที่โคลนต้นโพในวันเดือนหเพนนนั้นนะท่านบอกว่าปุกเพนิวาสานสุสติญาณรละลึกชาติผลหลังได้แสดงว่าพระพุทธองค์ได้ตัดรู้ทำถ้าเราเชื่อในพระพุทธเจ้า เราก็ต้องเชื่อในพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเราต้องเชื่อในการตัดรู้พระอนุตระสัมมาสัมโพธิญาณของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ว่าเชื่อจะชื่อเฉยๆนะในเชื่อในการประพฤติเชื่อในการดำเนินของท่านเชื่อในความรู้ของท่านในเมื่อเชื่อในความรู้ของท่านที่ท่านแนะนำสังสอนบอกกล่าวแล้วพวกเราคนนำมาปฏิบัติพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างไร ท่านบอกว่าก่อนที่จะรู้ได้ว่าตายแล้วเกิดตายแล้วสูบนั้นอย่าไปคาดคะเนอย่าไปไปเดาอย่าไปประมาณการอย่าไปเรียนรู้ว่าเรียนรู้แล้วจะจบรู้ได้มันไม่ใช่ผู้ปฏิบัติเท่านั้นจึงจะรู้ได้เพราะฉะนั้นเราปฏิบัติอย่างไรพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างไรให้ปฏิบัติเนี่ยนี่แหละเราต้องเดินดาเนินดําเนินเดินตามที่พระพุทธเจ้าท่านพาดําเนินท่านให้นั่งสมาธิ ขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวไม่รู้ว่ากี่ครั้งเพราะหลวงพ่อเน้นหนักเรื่องว่าให้สํารวจตรวจตราดูว่าตายแล้วเกิดได้ตายแล้วสูงจักพิสูจน์ได้ด้วยอย่างไรเนี่อถ้าหาวันเราไม่ปฏิบัติอย่างนี้เราจะไม่รู้ไม่ได้เราได้ฟังแต่คนอื่นเฉยเฉยเราก็ยังสงสัยอีกอย่างเกับเอเพราะเหตุไรเพราะเราไม่ได้สัมผัสด้วยตนเองเหมือนกับว่าไฟมันร้อนนะเราก็ยังสงสัย เพอะไรเพราะเราไม่รู้มันร้อนมันเป็นยังไงแต่พอเราไปจับไฟเท่านั้นละ่ะไฟมันไหมมือเท่านั้นละ่ะรู้อะไรโอ้ร้อนนะมันเป็นอย่างนี้จ ำ, จำจาจนถึงวันตายก็ว่าไม่เข้าจะไปแตกเลยเรื่องนั้นมันเพราะมันเป็นไฟนี้ก็เหมือนกันการการที่จะรู้ได้ว่าตายแล้วเกิดได้วตายแล้วสูนั้นเ พ, พระเาะพะุทธเจ้าท่านแนะนําสั่งสอนอย่างไรท่านไว้นั่งสมาธิในเมื่อสร้างสมาธิและกําหนดลมหายใจเข้าะทําไม จึงจะรู้ความตายทั้งหร่จะไปกําหนดตรมนี่แหละมันเป็นแนวทางทั้งหมดนะก่อนที่จะรู้ไปจุดนั้นต้องไต่บันไดที่หนึ่งที่สองที่สามท่สมันมีขั้นตอนของมันเพราะานี้เป็นหลักธรรมคาสอนของพุทธะที่ท่านบอกว่าจะจะรู้ว่าตายแล้วเกิดแล้วตายแล้วสูญนั้นทำอย่างไรพระพุทธเจ้าท่านพาปฏิบัติอย่างไรท่านดําเนินอย่างไรอันนี้ะพวกเราต้องฟังฟังต้องฟังและศึกษา พอศึกษาแล้วนำไปปฏิบัตินั่งไปถือตามลําพังอยู่ในที่สงบสังกัดนั่งคัดรมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาเข้ามือขวาทับมือซ้ายเสร็จแล้วกําหนดลมหายใจเข้ารู้หายใจเข้าหายใจออกรู้หายใจออกนี่แหละอันนี้คือพราะพระองค์มีไหมที่เมื่อ น, นั่นท่านนั่งสมาธิแล้วท่านสงบนิ่งเลยใช่ไหมไม่ใช่ในวันนั้น ในวันเดือนหกแผ่วันนั่งทักนั่งคัตสมาธินะพอท่านนั่งเข้าไปแล้วพระไทยใจของโป่งประวัติไปในถึงอดีตออดีตก็คือความที่ผ่านมาท่านจึงเห็นว่านางตันหาราคาอารติพยามารเข้ามาเต่อสู้กับท่านคล้ายๆว่าความจุ่งเหยิงวุ่นวายในใจของโป่งเค็ดโป่งฟุ้งอยู่ตลอดอันนี้แหละคือพยามารเข้ามาลกวนพระไทยของโป่ง จากนั้นพระอกว็ใช้สัจจะอธิษฐานคือความตั้งใจมั่น เ, เรามุ่งมั่นที่จะหาทางพ้นทุกข์เราจะไม่มุ่งหวังไม่เกีเ่ยวเนื่องกับสิ่งเหล่านั้นด้วย พ, พลังปัญญาด้วยสัจจะอธิษฐานของโภมท่านยังเปรียบเสมือนว่านางทรณีปิดมวยผมน้ำท่วมกิเลสราคาโทสาโมหะ นางตันหาราคาอรดีวอบไปนั่นแหละอันนี้ชัดท่านสรุปเป็นธรรมมาธิฐานเป็นปุคขราธิฐานอ่เป็นปุกคาราธิฐานคือหมายกันนี่แหละพระองค์นึกคิดย้อนไปในอนดีตที่ผ่านผ่านมาเรื่องราคาโทสะโมหะนางตันหาราคาอรดีเกิดขึ้นจากพระองค์ได้ใช้ตประธรรมคือความมมุ่งมัม่นเป็นมุ่งความตั้งใจมั่น ด้วยจังกิตที่ฐ่านจากนั้นพระ อ, องค์ก็เอาชนะได้ออครับผมไม่คิดถึงอดีตที่ผ่านมาไม่คิดถึงอนาคตที่ยังไม่ถึงให้จิตใจอยู่ในปัจจุบันอยู่ในขณะนี้เดี๋ยวนี้อยู่ที่ปลายจมูกเท่านั้นออพอกำหนดเข้าไปพระไทยของพพระไทยขององค์ใจขององค์รวมสงบนิ่งเป็นหนึ่ง ในเมื่อเป็นหนึ่งและเกิดยานารถสนะเกิดฌานเกิดความรู้พิเศษขึ้นมาปุเพนิวาสานุจติญา ล, ลึกชาติผนหลังได้นี่แหละอันนี้คืออันหนึ่งที่สพวกเราควรจะตรวจตราหรือปฏิบัติให้เข้าใจจากนั้นเมื่อติดใจเข้าสู่ความสงบแล้วพวกเราจะรู้ได้ด้วยตนเองกายกับใจใจกับกายเป็นคนละอันกันแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นร่างกายคือ ที่เรานั่งอยู่ในที่มองเห็นเห็นกันคือร่างกายกนี่ว่ารูปประธรรมถ้าพูดเป็นภาษาบาลีว่ารูปป ร, ร, ร, ระธรรมส่วนจิตใจที่มองไม่เห็นความรู้สึกนึกคิดพวกเราที่นั่งอยู่กัน acak, มีความนึกความคิดมีน า, นานาจิตต่างนานาทัศนะเป็นแนวแนวความคิดแต่ละคนคิดไม่เหมือนกันเมืออมอเอม่อคิดไม่เหมือนกันมันออกมาก็คือการเมื่อคิดไม่เหมือนกันการเป็นอยู่ก็ไม่เหมือนกัน การพูดก็ไม่เหมือนกันเพราะมันคิดไม่เหมือนกันก่อนนี่แหละพวกเราคิดไม่เหมือนกัน เ, เมื่อคิดไม่เหมือนกันกรรมคือการกระทํามันออกไปจําแนกออกไปอะไรเป็นผู้จําแนกให้ดวงวิญญาณแตกแต่ต่างกันนี่แหละสรุปแล้วก็คือกายกับใจแต่ส่วนใจนั่นแหละตัวนามธรร ม, ามตัวโรู้ๆนั่นแหละมันไม่ค่อยจับไม่ค่อยอยู่ แต่พอเอาสมาธิอย่างที่พระพุทธเจ้าที่ท่านได้สอนได้กล่าวได้ตรัสเอาไว้ได้แนะนำเอาไว้ได้สอนเอาไว้พวกเรานำมาปรับปฏิบัติกับตนเองจากนั้นเมื่อใจของเรารวมสงบลงเป็นหนึ่งแล้วนะ่ะเราจะรู้ได้ว่ากายกับใจใจกับกายเป็นคนละอันกันแน่นอนร่างกายนี่ตายแน่ไม่เป็นอย่างอื่นแต่ส่วนจิตใจคือตัวมัดนา ม, มัดทมนะนะั่นน่ะจะต้องออกจากร่าง ไปปฏิสนธิไปเกิดในภพภูมิต่างๆนี่แหละได้หลักของพระพุทธศาสนาตายแล้วไม่สู่ตายแล้วเกิดอีกให้พิสูจน์จุดนี้ในเมื่อเราทําจิตใจให้สงบแล้วมันเชื่อด้วยตัวเองไม่ต้องถามใคร เ, เ อ, อีตัวเองรู้ด้วยตัวเองเลยอืมใช่เต่าเกิดมาเนี่ยร่างกายเนี่ยตายแนย่แต่สุดส่วน จ, จิตใจตัวนามธรรมาเนี่ยออกจากร่างแล้วนะ จะต้องไปปฏิสนธิไปในเกิดในภพภูมิต่างๆแต่สุดแท้แต่จะไปเกิดที่ไหนไม่ใช่ว่าเกิดมาเป็นมนุษย์จะเป็นมนุษย์ตลอดไม่ใช่พระพุทธงยืนยันอย่างนั้นอีกถ้าว่าใจตรงนั้นคิดไม่ดีไปทำไปทำกรรมที่ไม่ดีคือไปฆ่าสัตว์ไปขโมยทรัพย์ไปสิงเอาสิ่งที่มันไม่ดีเข้ามาสู่ใจตรงนั้นใจตรงนั้นออกจากร่างแล้วไปเกิดเป็นสัตว์ที่ฉานไปเกิดเป็นช้างม้าวัวไวน์หมูหมาเป็ดไก่ เป็นได้ทั้งนั้นขนาดเป็นพระกรรมฐานแท้ๆนะเป็นห่วงผ้าจีวรจะเกิดเป็นตัวเลนได้อืมไม่ต้องพูดถึงใครอื่นะขนาดเป็นพระกรรมฐานในครั้งพระพุทธเจ้าน่ะบำเพ็ญกิตตภาวนาแต่ยังไม่ได้สําเร็จมักสําเร็จผลแต่เมื่อจิตใจพอจะตายออกไปจิตใจคล้องแวะกับผ้าจีวรของตนเองก็ยังไปเกิดเป็นตัวเลนตัวไรได้นี่แหละไม่ต้องพูดถึงเพราะนั้นใจดวงนี้ไปเกิดได้ทุกอย่าง เป็นสัตว์ที่ฉาญประเภทไหนได้ถ้าว่ากรรมหนักบาปหนักก็ต้องเป็นตกนรกซะก่อนจากนั้นก็มาเป็นเปรตจากนั้นก็มาเป็นสัตว์ที่ฉาญจากนั้นอย่าค่อยตายเต้าขึ้นมาเป็นมนุษย์เนี่ยถ้าว่าคนมีบุญมาเกิดมาเกิดเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แต่ข้าว่าบางคนเกิดมาเป็นมนุษย์ก็จริงอยู่แต่พี่กงพิการหูหนวกตาบอดบ้าใบอย่างพวกเราท่านทั้งหลายที่เห็นอนนั้นคือ เป็นบาปบาปพามาเกิดแต่บุญก็มีอยู่แต่ว่ามาเกิดไม่สมบูรณ์อันนี้ก็คือการเป็นอยู่ของมนุษยชาติเพรา ะ, ะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะให้ศึกษาในจุดนี้ในเมื่อเราปฏิบัติยังไม่ได้เราก็ต้องเชื่อในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเชื่อในพ่อแม่ครูบาอาจารย์สกอดแต่ว่าแต่การประพฤติปฏิบัตินั้นเราจะไม่ลดละนะ เราจะพยายามศึกษาแล้วก็นำมาประพุทธปฏิบัติเมื่อเราปฏิบัติได้แล้วนั่นแหละจะเป็นของตนเองเชื่อนะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อทีนี้เพ่าะอเพราะเราได้สัมผัสด้วยตนเองแล้วนะเพราะนั้นขอฝากไว้กับพวกเราทุกท่านนะอันนี้เป็นบรนไดเบื้องต้นก็ว่าได้ เ, เป็นบรนไดเบื้องต้นในความเชื่อก็ว่าได้ถ้าว่าพวกเราตายแล้วสูงนะเราก็ไม่สามารถเราก็ไม่ คิดจะทำคุณงามความดีเมื่อทำคุณงามความดีก็นะถ้ามีที่รับก็ทำความชั่วได้เพราะใครไม่เห็นในเมื่อเมื่อเห็นคนเห็นเออทำความดีเนะเอเพราะนั้นผลที่ตายคิดว่าตายแล้วศูนนะ่ะมันมีที่รับมันมีที่แจ้งนะแต่ถ้าว่าคนที่เชื่อว่าตายแล้วเกิดนะ่ะเขาจะทำแต่กรรมดีอยู่ตลอดแล้วเขาต้องคิดว่าถึงใครจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามในเรื่องความชั่วนะ เหมือนกับเราเข้าไปในอยู่ในห้องปิดสนิทไม่มีใครเข้ามาเราอยู่คนเดียวเราลองจับไฟดูสิมันร้อนไหมมันต้องร้อนเพลิมันเป็นไฟอันนี้ก็เหมือนกันคนจะรู้จะเห็นหรือไม่ก็ตามถ้าเป็นสิ่งที่มันชั่วแล้วมันก็ชั่ววันอย่างค่ำเพราะมันชั่วมันสิ่งที่มันไม่ดีในในเมื่อสิ่งที่มันไม่เป็นความชั่วแล้วเพระพุทธองค์จึงบอกกล่าวว่า ความชั่วอย่าทำเสียเลยดีกว่าเพราะความชั่วเมื่อทำลงไปแล้วความชั่วจะให้ผลตนเองนั่นแหลย่าเดือดร้อนเมื่อพายลังเพราะนั้นขอให้พวกเราท่านทั้งหลายฟังเอาไว้เอาไปศึกษาแล้วก็ น, นำไปประพฤติปฏิบัติปรปับปรุงกายวาจาใจของเราจากนั้นพวกเราจะเป็นคนดีขึ้นทีละน้อยละน้อยออสกัดสิ่งที่มันชั่วออกไปทีละน้อยละน้อยจนจิตใจของเรา บริ ส, สุทธิ์หลุดพ้นหมดจดจากกิเลสเป็นพระอรหันต์ได้เพราะความชั่วออกไปจากใจทั้งหมดนะประคอยพวกเราทุกๆุกท่านนะการมาสั่งสมคุณงามความดีในวันนี้ก็ลักษณะอย่างนั้นเหมือนกันนะเก็บหอมรอมริบไปทีละน้อยละน้อยน ะ, ะตอ น, นี้ไปพระสงฆ์จะอนุมโมทนาให้พรรับพรในตี น, น, น่าและกรบพร้อมกันอุทิศ ถวายเป็นพระราชกุศลอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวและกุศลส่วนกุศลถึงพ่อแม่ everyday. ป um ああู่ย่าตายายวงสาคณญาติญาติตรสหายของพวกเราด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนี่แหละพวกเราอุทิศส่วนกุศลให้กับคุณหลวงคุณต้นหรือว่าผู้ที่ได้รวมได้ร่วมการเอาหนวยความสะดวกให้กับพวกเราทานทวงวิญญาณท่านถึงสิทธิ สิ่งสถิตยนตินใดที่ใดขอให้มารับส่วนบุญส่วนกุศลและก็พร้อมกันขอให้กิจการงานของเราเจริญรุ่งเรืองอะได้มีอุปสรรคนานับประการให้ไหลลื่นราบรื่นด้วยอา น, นิสงทานอา น, นิสงสิทธิอา น, นิสงประกอบคุณงามความดีของพวกเราทุกครั้งไม่ว่าแต่วันนี้นะทุกครั้งอต่อเนี้ไปพระสงฆ์จะอนุโมทนาให้พรรับพนรนตินา